แล้วในสติปัฏฐานเนี่ยมันก็พูดอยู่ว่าสติปัฏฐานก็พูดถึงเช่นพูดถึงหมวดกายเนาะกายมีอยู่ก็เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเห็นไหมกายเนี่ยร่างกายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นแค่เป็นแค่เครื่องรู้คือเป็นแค่เพื่อให้เกิดเกิดตัวรู้อะ่ะเออแล้วก็แล้วก็เมื่อเกิดตัวรู้เสร็จแล้วในในพระสูตรนี้ก็บอกว่าแล้วก็เธอก็จะไม่ติดยึดอะไรอะไรในโลกในโลกนี้ ก็เลยอ๋อเนี่ยที่มันหลุดที่มันไม่ติดก็เพราะสติเนี่ยตัวรู้นี่แหละที่มันมันหลุดออกมาอมืก็เลยเออเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่หลงวงพ่อก็ยอ่อแบบเล่าพอเป็นแนวทางเนาะอาจจะผู้ที่ฝึกสติมากแล้วก็อาจจะพอมองออกเนาะแต่ว่าถ้าใครยังยังฝึกน้อยยังเห็นไม่ชัดว่ามันแยกกันยังไงก็ ก็ฝึกก็ฝึกกันแหละตามตามที่ได้ยินได้ฟังอนะ่ะเนาะตามในพระ ส, สูตรต่างๆหรือว่ามีผู้บอกว่าวิธีฝึกสติฝึกยังไงก็ทําความเพียรได้มากนะแล้วฝึกสติเนี่ยสติเนี่ยเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกนะที่จะเข้าสู่ถึงความบริสุทธิ์ได้อะ่ะอืนอกจากนี้ไม่มีก้อนนั้นก็เน้นเรื่องฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ปกติเนี่ยห้องห้องเราจะเน้นเกี่ยวเรื่องขณะปัจจุบันนะคะก็ พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็สตินะคะในขณะปัจจุบันแต่ว่าเคยมีบางท่านก็ถามว่าเนี่ยตอนใกล้สมมติว่าเราจะรู้ว่าตอนนี้เราถึงวัยละนะคะใกล้จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่จะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะฝึกมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ, เคยได้ยินมาว่านะคะเราจะต้องรู้ว่าจิตสุดท้ายเนี่ย สำคัญที่สุดก่อนที่จะตายไปเนี้ยต้องจุดสุดท้ายนะคะจริงจริง่มันต้องบอกว่ามันมันไม่ได้สำคัญตรงนั้นค่ะน ะ, ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ขณะนี้นะคะถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เข้าใจตรงจุดที่เมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายว่ามันไม่ได้มีใครเกิดไม่มีใครตายจริงตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่แรกไม่มีผู้เกิดผู้ตายเนี่ยถ้าไม่เห็นความจริงตรงเนี้ยการกระทาทั้งหมดนะคะ เป็นโมฆะหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นความหลงไปเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนความหลงเป็นหลงมีก็เลยมีอาณาเขตมีมิติมีภพชาติมีการเวลานะคะที่ใดมีรูปเนี่ยที่นั่นต้องมีนามนนทั้นที่ใดมีนามที่นั่นก็ต้องมีรูปทั้นควารูปนามรวมกันก็เลยเป็นเหตุแรงดึงดูดแล้วก็เป็นแรงผลักต้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ะะแล้วก็เกิดการเวลาเกิดขึ้นเพราะนั้นรูปก็ย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการผลักตา้านก็เลยจึงเป็นเหตุให้รูปเนี่ยเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็หมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ต้องมีนามเพราะฉะนั้นความว่างเนี่ยมันจะเป็นการขั้นระหว่างรูปนะคะรูปก็จึงเคลื่อนไหวได้พอสภาวะธรรเป็นอย่างนี้ค่ะสัพสิ่งวัตถุ หรือว่าอะไรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเกิดดับทุกๆอย่างเนี่ยคะ่ะไม่มีหวันหยุดนิ่งเลยนะคะแล้วก็คงทนเป็นปัจจุบันแม้ปัจจุบันก็ยังไม่หยุดนะคะจะจิตใจจะวิญญาณก็เกิดมาจากเนี่ยคะ่ะรูปนามของเนี่ยธรรมชาติจั ก, กรวาลเนี่ยคะ่ะมันเป็นแค่มายาห ล, ลอกลวงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คนหลงไปจากรูปนามที่ไม่ไม่มีชีวิต เปลี่ยนมาเป็นรูปนามที่มีชีวิตแล้วจากรูปนามที่มีชีวิตก็มาเป็นรูปนามที่กลายเป็นมีชีวิตจริงๆมีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็แยออกจากการเหลือแต่นามที่ว่างปราศจากรูปนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนามจริงๆค่ะนะคะทั้นะะรธรรมชาติเดิมเนี่ยมันก็มีปรากฏอยู่แล้วแล้วก็เหนือสมเาเรียกวนะ่าสมมติบัญญัติทั้งปวง เหนือความมีความเป็นทั้งปวงเหนือคาพูดใดๆนะคะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยพ้นไปจากการลวเวลานะคะก็ให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็พยายามฝึกอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าอ๋อเราเคยชินกับมาเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเหตุอันนี้เกิดขึ้นนะคะฝึกบางคนบฝึกตายก่อนตายะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงคล้า ย, ายกันอันนี้คือเราฝึกสติรู้ตัว ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไปทำแบบเพ่งมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกตัวถึงแม้เราจะเผลอบ้างเราจะลืมตัวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็รู้ว่าลืมตัวก็ปกติก็รู้มันแค่นั้นเองนะคะก็เนี่ยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้บางทีแต่การที่เราจะพูดว่าเอ้ยเราไม่มีตัวตนเราไม่ได้เกิดมาจริงหรอกอะไรเงี้ยมันก็พูดยากนะคะเพราะว่าอย่างอย่างคนใกล้ตัวหนูเองเนี่ย บางทีพูดเนี่ยท่านก็ยังไม่เข้าใจนะคะก็ไม่เป็นไรก็ดีหนูก็ต้องพยายามอ่ะค่อยๆอธิบายจนกว่าท่านเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆอันนี้พูดถึงคนที่บ้านตัวเองนะ ค, ะคือคุณแม่ตัวเองนะคะก็เนี่ยยังไม่สามารถจะเนี่ยอธิบายเลยคะ่ะหลวงพ่อจริงๆหนูก็ค่อยๆค่คะค่อยๆบอกนะคะค่อยให้เขาเข้าใจโดยที่เนี่ยใช้การเวลาเนะะี่ยค่ะ อ่ะแล้วให้เขาเปลี่ยนเองแต่เขาก็เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ก็ยังโอ้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ไม่ได้เลยค่ะ mm hmm. <laughs> ลาบากกว่านี้มากค่ะ mm hmm. <laughs> ทีนี้เรื่องฝึกสตินะโยมลองดูว่าที่ทุกวันนี้ที่เราฝึกนะโยมต้องต้องอ่านให้ออกว่าที่ฝึกแบบนี้มันฝึกจะเอาไหมถ้าฝึกจะเอานี่ไม่ได้ฝึกสติแล้วใช่หรือว่าฝึกเพื่อจะเอาเพื่อจะได้นี่ก็ไม่ได้ฝึกสตินะ แต่ฝึกสติอย่างที่หลวงพ่อบอกอะคือฝึกให้ให้มันไปรู้สิ่งที่กําลังปรากฏนะเช่นหลวงพอ่อสมมติว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการนั่งนะตอนเนี้ยตอนก่อนที่หลวงพ่อจะพูดเรื่องอ่าว่าให้มีสติเรื่องการนั่งเนี่ยเอไม่ได้ะระลึกได้หรอกว่ามีการคออาือยังยังนึกไม่ออกว่าเออนั่งอยู่เนาะแต่พอพ่อหลวงพ่อพูดปั๊บอ่ามันก็รู้เลยว่าเนี่ยอ๋อกำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดสติเกิดตอนไหนก็เกิดตอนที่มีผู้ชี้บอกอ่า ทีนี้เกิดสติเนี่ยมันต่างกันตรงไหนล่ะไอตอนที่ลืมตัวเห็นไหมมันไม่มีตัวรู้ทั้งทที่ยังนั่งอยู่แต่ยังไม่มียังไม่รู้ว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวรู้ไม่เกิดแต่ว่าหลวงพ่อพูดปั๊บเนี่ยนั่งอยู่ก็ให้รู้เห็นไหมมันก็รู้ได้เลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดสติเห็นไหมตัวรู้นั่นแหละตัวสตินั่นแหละคือตัวรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกตัวรู้ให้ให้มีบ่อยๆจะเดินก็ให้รู้ใช่ไหมกําลังเดินเนี่ยให้รู้กําลังนั่งอยู่ ก็ให้รู้อย่างเงี้ยทีนี้ว่าถ้าเราปฏิบัติผิดก็คือว่าเรานั่งอยู่แต่เราเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักเรื่องรู้เลยแต่เราก็จะเอาว่าเ <c oughs> มือเ่อไหร่จะสงบเนอเมื่อไหร่จะสงบเนาะทาไมมันวุ่นวายเนี่ยเห็นไหมมันมันผิดทางหมดเลยอ่ะเพราะว่าจะเอาจะเอาแล้วก็จะเอาแล้วก็ยังไม่รู้อีกเนาะก็กลายเป็นว่าฝึกเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่เสียเสียมากกว่าไม่ฝึกได้วยซ้ำไอตอนไม่ฝึกความโลภยังไม่ค่อยมีเนาะแต่พอฝึกปับ๊บ อยากเอาเอาหนักกว่าเก่าอีกนั้นหลวงพ่อจึงเน้นว่าเวลาฝึกนะฝึกให้มีตัวรู้พื้นๆเลยเนี่ยนั่งอยู่ก็รู้อยู่และต่อมาเอาสมมติมันมีความโลภนะอยากได้ความสงบพอเราห้ามความอยากไม่ได้ไงพอมันอยากได้ความสงบก็ให้รู้เห็นไหมไอ้ตัวอยากนั่นแหละมันทําทำให้เกิดตัวสติขึ้นมาว่าอยากแล้วเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วก็ ก็วางเทียความอยากไม่ต้องเอาหรอกเพราะว่าอยากมันก็มัน <font> ก็เห็นเป็นเด็กสมุทัยอยู่แล้วเนาะเป็นเด็กให้ทุกข์ก็รู้แล้วก็กลับมารู้กลับมารู้อะไรละฐานที่ตั้งของที่เราฝึกเช่นฐานอะไรฐานกายนั่งก็รู้กายนั่งอยู่อนะ่แล้วก็นั่งรู้ไปอย่างเนี้นะแล้วก็ต่อมาร่างกายกระดูกกระดิกเคลื่อนไหวอ่านะก็รู้เห็นไหมการเคลื่อนไหวก็เป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องที่ทําให้เกิดการรู้ได้แล้วก็เช่นนั่งนั่งไป อาจจะเอามือมาเกาหน้าใช่ไหมอ่าเนี่ยมือเคลื่อนไหวไอ้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยก็มาฝึกสติได้ก็คือรู้ว่าอ่ามือมันเคลื่อนไปอืมแล้วก็กับคือเนี่ยหมายถึงว่าฝึกรู้กับอาการที่มันมันมีอยู่ในปัจจุบันที่มันเคลื่อนไหวนะหรือว่าจะฝึกถ้าดูดูจิตดูเวทนาอันนั้นก็ได้เวทนาก็คือเช่นเวทนาทางกายเนาะก็ดูถึงวา ควาไม่สบายกายเนี่ยนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะแล้วก็รู้มันเนี่ยความปวดความเมื่อยก็เป็นเครื่องฝึกสตินะแล้วก็เมื่อยแล้วแล้วก็มันมีการจังคายนะเมื่อยมากเมื่อยน้อยก็สังเกตไปอย่างเงี้ยฝึกรู้ฝึกรู้ไปเนี่ยหนทางมันคือฝึกรู้แบบเนี้ยหลพอพูดแบบย่อนะแต่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังมีกําลังปรากฏในร่างกายในจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องฝึกได้หมดเพราะฉะนั mm ้น hmm. เปียนใหม่ซะเนาะถ้าเกิดใครฝึกแล้วก็เพื่อจะได้จะมีจะเป็นอั น, นั้นไม่ใช่ทางแต่ถ้าฝึกถุงกล้องก็คือฝึกรู้ฝึกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วเพราะว่าในบรรนปลายเนี่ยมันก็คือรู้แล้วก็ปล่อยคือยึดรู้แล้วไม่ยึดเมื่อรู้แล้วก็คือไม่ยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนให้เป็นของหนักเหมือนกับว่ารู้แค่สักแต่รู้ไงก็สักแต่รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้ ว, ร, วรู้แล้วอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้แล้วไม่ยึด ออก็เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนทั้งนองมันมีขั้นตอนอะไรละ่ะฝึกสติเพื่อให้มีจิตรู้ให้มีตัวรู้สองเมื่อมีตัวรู้แล้วก็ให้ปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางสิ่งถูกรูก้การปล่อยวางก็คือว่าไม่ต้องใช้กำลังอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็คือไม่ยึดหลวงพ่อเขพูดยากเพราะว่ามันการปล่อยวางเนี่ยมันต้องถึงขั้นนี้ก่อนนะขั้ขนว่า สิ่งถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยมันเป็นคนละตัวถ้าเข้าใจได้ว่ามันเป็นคนละตัวคนละสิ่งกันแบบนี้นะก็ไม่ต้องปล่อยเพราะว่ามันแยกกันอยู่แล้วว่าเป็นคนละสิ่งกันะมันก็หลุดไปเองพอรู้แล้วมันก็หลุดรู้แล้วมันก็หลุดอืทีนี้ที่ทําให้มากก็คือฝึกรู้ต่อไปเพราะว่ามันมีอารมณ์ต่างๆที่มันอาจจะนานๆเกิดสักทีหนึ่งเนาะก็ทําให้เหมือนกับว่าไม่รู้จักมันอแต่ถ้าต่อไปมันรู้จักมันก็จะ รู้ชัดขึ้นแล้วมันก็ก็ปล่อยวางได้นะมันมีอีกหลายอารมณ์อ่ะที่มันไม่เคยเกิดหรืออาจจะเกิดแล้วแต่ว่ายังสติยังไม่ระลึกได้เพราะฉะนั้นมันก็จะพัฒนาในทางสติให้รู้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้ยิ่ง้็เรียกว่ารู้แจ้งรู้ยิ่งเนี่ยอก็พัฒนาไปเรื่อยเ่อสุดท้ายก็รวมลงกันแหละสติเนี่ยต้องฝึกให้มากนะรู้อะไรมันไม่เท่ารู้กับการมีสติหรอกเพราะว่าตัวสติเนี่ยตัวที่พา พาพ้นโลกพาพ้นทุกข์สูนิพานอย่างเดียว อ, อย่างสติที่มันไม่รู้จักนะหลวงพ่อยกตัวอย่างสักสักอารมณ์หนึ่งนะคือความปรากฏเนี่ยมีแล้วแต่สติระลึกไม่ได้เพราะว่าสติไม่รู้จักสิ่งที่กําลังปรากฏนั้นๆหลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นเรียกว่าการดูจิตเน <Okay. S 1> าะโยมลองลองดูของตัวเองนะเหมือนกับว่าพอพอจะดูจิตเนี่ย มันเป็นยังไงเออมันมีพฤติกรรมยังไงในการที่จะดูจิตใช่ไหมลองนึกดูตีสม ม, มุติว่าเหมือนกับว่าตอนนี้สมมติหลวงพ่อทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบยังไม่ทําอะไรคือคุยกันเฉยๆยแต่พ่อหลวงพ่อบอกว่าเอาทุกคนนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูจิตนะตามหลักสติปิปฐานจิตานุปัสสนาเนาะพอบอกแค่เนี้มันก็จะมีการขยับ จัดท่านะจัดท่าคือเตรียมเตรียมนะ <c oughs> อันนี้แหละไอ้ขั้นเตรียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่สติไม่รู้จักก็เลยไม่เห็นสิ่งนี้ไปนะสติมันมันระลึกไม่ได้ไงว่ากาลังเตรียมอยู่เพราะมันไม่เคยรู้จักเนาะก็ปรากฏว่าการเตรียมการจัดท่าก็ดีการทำสีหน้าสีตาต่างๆก็ดีมันก็ผ่านไปโดยที่สติยังระลึกไม่ได้ แล้วก็พอข้ามผ่านไปเสร็จแล้วก็นั่งปิดตาปีสติก็ยังระลึกไม่ได้ว่าตอนเนี้ยกําลังกําลังปิดตาอยู่แล้วก็พอปิดตาเสร็จแล้วไม่มีการแบบส่งจิตไปดูในในใจกลางเนาะช่วงอกก็ได้ตรงไหนก็ได้ในใจกลางใจอะ่ะมันส่งจิตไปดูตรงนี้ก็สติยังระลึกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้จักสภาวะอ่ายังไม่รู้จักพฤติกรรมแบบนี้มันก็ผ่านไปสุดท้ายก็ ไปดูจิตเพ่งจิตแล้วตอนนี้พอเพ่งจิตก็สติมันก็ระลึกไม่ได้ว่าตอนนี้มีพฤติกรรมของการเพ่งก็ก็มีการเพ่งอยู่เรื่อยๆเนาะสติก็ายัางระลึกไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เพ่งเพ่งจี้เข้าไปในจิตก็เป็นกลายเป็นว่าจิตไม่คิดอะไรเลยเนาะจิตไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ไปพบถึงความว่างนะเป็นความว่างก็คือจิตมันว่างนะไอ้ตรงนั้นแหละหมายถึงว่า ไอ้ที่จริงไอ้จิตว่างไอ้นะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของตัวเราอะไปเพ่งไปเพ่งดูมันแต่สติยังไม่ได้เกิดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าสติเกิดเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนจัดท่าต้องเตรียมตอนนู่นแล้วแหละแล้วรวมถึงไอ้พฤติกรรมของการจ้องการเพ่งนะแต่ที่หลวงพ่อเล่ามาเห็นไหมสติยังไม่เกิดเลยเพราะว่าสติมันยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสภาวะธรรมแบบนั้นนะมันก็เลยไม่มีสัญญาที่จะจะไปจําได้ แต่ถ้าสักวันหนึ่งมีคนมาบอกบอกว่าเห็นไหมพอพอบอกให้ดูจิตปั๊บเนี่ยมันเริ่มสตาร์ตสตาร์ตด้วยพฤติกรรมยังไงอะพฤติกรรมก็ปักแต่งกายเก็บขยับขยับเอาขวาทับซ้ายเอาเอาปั่นมือเอามือขวาทับมือซ้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยขั้นเตรียมเนี่ยขั้นสตาร์ตแต่ว่าสติมันไม่ระลึกรู้ตรงนี้มันก็พลาดไปแต่ถ้าเออถ้ามีคนมาบอกบอกว่าฮะต้องมีสตินะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเงี้ยต่อไปมันเริ่ม จับได้แลยมันเริ่มจําได้ทีนี้พอมาข้างหลังบอกเอาทุกคนดูจิตก็จะมีสติเกิดแล้วเอาตัวเองกําลังขยับจับข้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตัวเองทําพฤติกรรมเหมือนเมื่อก่อนมันก็จะจําได้ตลอดอย่างนี้ก็มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยมันจะต้องไวนะไวในพฤติกรรมของกายของจิตในตั้งแต่เริ่มมันเริ่มสตาร์ทนะถ้าไวอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคมแล้ว พอเริ่มสตาร์ทจะทําอะไรปับ๊บมันเห็นเลยเริ่มสตาร์ทจะทําอะไรมันเห็นก็เรียกว่าเห็นเห็นจุดเห็นที่เป็นปัจจุบันในขณะที่กําลังเริ่มสตาร์ทนะที่ท่าโยมน่าจะเข้าใจเนะาะคำว่าสตาร์ทคาว่าเริ่มต้นนะเออหรือหลวงพ่อยกตัวอย่างอีกสักอย่างก็ได้เรื่องของการการจุดสตาร์ทเนาะแต่ว่าสติไม่ไม่เกิดไม่เห็นเช่นสมมุติว่าหลวงพ่อบอกว่า อ่าทุกคนนะหัดให้รู้ตัวเองหัดได้รู้จักตัวเองคนไหนที่ยังไม่เห็นตัวเองนะเนาะเอาฝึกให้เห็นตัวเองเสีทีนี้ไอ้คนที่ไม่เห็นตัวเองเนาะมันก็ต้องคิดติคิดว่าเห็นตัวเองทํำยังไงนาะทายังไงว่าเห็นตัวเองทำไมเราไม่เห็นเนี่ยขณะที่คิดนั่นน่นนั่นไอ้ตัวเองกำลังคิดแต่ก็สติระลึกไม่ได้ว่ากำลังคิดหาอยู่นั่น จริงอ่ะมันจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทก็คือเริ่มคิดเริ่มหานั่นแหละสตาร์ทแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเพราะนึกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะต้องต้องมีวิธีทําอะไรทั้อย่างหนึ่งแล้วก็ให้มาเห็นตัวเองแต่จริงอ่ะจุดสตาร์ทจุดคิดจุดค้นจุดแสวงหาเนี่ยตอนเนี้ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยแต่สติยังไม่เกิดก็เลยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังแล้วก็จับได้ครั้งหนึ่งว่าอ๋อ การที่จะหาการที่จะหมายถึงว่าการมีพฤติกรรมอย่างนั้นแหละนั่นอะ่ะมีการเคลื่อนไหวมีการปรุงแต่งแล้วแล้วก็รู้ทันเนี่ยก็เลยเท่ากับว่ามีสติแล้วก็พอรู้ทันเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากับรู้ตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่ารู้ว่าตัวเองนกําลังหาตัวเองอยู่เออแต่ถ้าคนถ้าไม่รู้ไม่ทันก็เอาตัวเองไปหาไปคิดไปคนหนึ่งวัน2วันสาวันก็ยังไม่เจอตัวเองสักทีทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยค้นหาค้นคิดคิดคิ ด, คด แต่ก็ไม่เห็นตัวเองคิดสักทีนะึงเห็นหมล่ะมันจึงต่างกันนะต่างกันคือคนที่มีสติเร็วก็จะพบตัวเองได้เร็วนะเพราะตัวเองคือคนที่กาลังคิดกำลังคน้นกำลังหานั่นแหละคือตัวเองแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีสติก็เอาตัวเองไปคิดไปคน้นไปหานึงวันสองวันสามวันก็ยังไม่พบตัวเองเห็นหมมันต่างมันจึงต่างกันมากเลยอะไม่รู้หลวงพ่อพูดนี้ฟั ง, งทันไหม ท่านท่า น, นอาจารย์อยู่อาจารย์พูดกับอีกหนึ่ยพูดผมก็คิดถึงตัวเองนะก่อนที่สัญญาเก่าก่อนที่มันจะมาเจอสตินะครับพระอาจารย์เมื่อก่อนน่ะคิดคิดว่าปล่อยวางนะครับพระอาคนผมเข้าใจผมเข้าใจตัวเองเมื่อก่อนที่จะเรียกว่าที่ยังไม่เจอตัวรู้ด้วยกว่านนะครับเวลาเราก็รู้แลว่าทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยคนปล่อยวางแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะปล่อยวางตรงไหนพะอาาแล้วมันก็คิดว่ามันะ ปล่อยวางด้วยพอมันมันใช้ความคิดซ้อนความคิดคก็เรียบร้อยเลยครับตอนนั้นก็คิดยังไงก็ไม่ปล่อยวางทำยังไงมันก็ไม่ปล่อยวางครับจนกว่ามันต้องมาเห็นนะครับมันถึงจะปล่อยจริงๆครับมิงั้นมันก็คิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็เป็นเป็นแค่ระดับความคิดครับแต่เส้นทางของผมนี่ผมผ่านมานี่ สาคัญที่สุดที่ผมเจอใ น, ใ น, ในของสภาวะของผม ค, คือคิดว่าตัวเองภาวนาเนี่ยครับอาจารย์อันนี้เหนื่อยครับคิดคิดว่าตัวเองปล่อยวางคิดว่าอันนี้คือการภาวนานครับเพราะว่าเวลาเจอปัญหาเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยครับอาจารย์เหมนี้อาจารย์บอกครับว่ามันคิดคิดซ้อนคิดช่วยอะไรไม่ได้เมื่อก่อนนี่เอาเหตุเอาผลนะครับเอาถูกเอาผิดแต่พอมาเจอตัวรู้แล้วก็เหตุผลถูกผิดก็ หลวงพ่อคำเขียนว่าบางทีไม่ได้ช่วยอะไรครับผมชอบชอบฟังมาอาจารย์เมื่อก่อนนะครับอย่างในกรณีที่ผมเคยฟังหลวงพ่อคำเขียนท่านท่านพูดนะครับว่ามีโยมคนนึงนะครับรู้สึกว่าถ้าจะมีปัญหาครอบครัวทะเลาะ ก, กับแฟนมาครับแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนก็เลยว่ า, วาเออไอเ อ, เ อ, เ อ, เอตรงนั้นนะ่ะก็ปล่อยมันทําหน้าที่ไปเรามาจเจริญสติให้รู้ตัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวปัญหาที่มีอาจจะหายไปก็ได้ แต่เมื่อก่อนผมก็เถียงในใจนะครับอาจารย์ว่ามันจะไปมันจะไปหายยังไงแล้วเรายังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรครับเดี๋ยวพอมาปฏิบัติไปจริงๆแล้วอ๋อเราก็มีหน้าที่รู้ตัวไปไอ้ตรงนั้นมันอาจจะคลี่คลายไปเองก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปแครแก้ไขมันก็ได้อย่างเงี้ยครับมันอาจจะหายเองหรือมันไม่หายเองมันก็แก้ที่ใจเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็อ๋อเพิ่งมาเข้าใจหลังๆนะครับพระอาจารย์ครับขอบคุณนะครับ เออเดี๋ยวหลวงพยกตัวอย่างออมีใครจะพูดไหมเอาเชิญก่อนเชิญก่อนเราลองอาจจะสมมติตั้งโจทย์ขึ้นมาเนาะตั้งโจทย์บางคนอาจจะเช่นหลวงพ่อกําลังพูดเรื่องปล่อยวางเนาะทีเนี้ยโยมเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ใจมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็โยมบอกว่าก็หนูยังปล่อยไม่ได้อะ่ะหนูยังปล่อยไม่ได้อาจารย์ลมีวิธีปล่อยอยังไงนะทีนี้ ให้พิจารณาคำพูดตรงนี้ว่าหนูยังปล่อยไม่ได้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าจะปล่อยยังไงเนาะทีเนี้ยตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ใจชี้ห้เห็นว่าที่หนูปล่อยไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวหนูนะมีตัวหนูแล้วตัวหนูเนี่ยก็จะปล่อยจะปล่อยอะไรไม่รู้แหละที่หนูจะปล่อยแล้วหนูก็ปล่อยไม่ได้มีตัวหนูก็พยายามที่จะปล่อยนะพยายามมากเลยหนึ่งวันสองวัน ตัวหนูก็ยังปล่อยไม่ได้สักทีตรงนี้หลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่าที่ปล่อยไม่ได้เพราะอะไรไม่คือตอนนั้นน่มันไม่ได้เกิดสติที่จะมารู้ตัวแต่เอาตัวเราเนี่ยพยายามที่จะปล่อยอะไรบางอย่างแต่ถ้ามีสติมันรู้ตัวขึ้นมาว่าไอตัวที่อยากปล่อยนั่นแหละไอตัวเนี้ยไอตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องสิ่งที่อะไรต้องมีสติ ไปเห็นเข้าว่าอ๋อมันมีตัวผู้อยากจะปล่อยถ้ามีสติเห็นไอตัวผู้อยากจะปล่อยปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันจะปล่อยเลยมันจะปล่อยด้วยสติมันไม่ได้ปล่อยด้วยตัวเราคือตัวสติเป็นตัวดูเป็นตัวเห็นตัวเราผู้พยายามจะปล่อยตัวสติก็เลยปล่อยตัวเราพอปล่อยอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็หลุดโพลเลยหลุดโพลยังไงเพราะว่าตัวรู้กับตัวเรามันคนละตัวกัน เมื่อตัวรู้มันรู้ตัวเราเสร็จแล้วตัวรู้ก็วางตัวเราเลอะเลยตัวเราก็ล่วงหายไปกรณีแรกเห็นไหมล่ะเอาตัวเราไปดิ้นไปดิ้นที่จะปล่อยอะไรก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นน่มันไม่เกิดสตินะคือยังไม่มีตัวรู้ที่มารู้เราเราก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดินบางคนดิ้นหลายวันมากเลยนะแต่ถ้ามีคนมาบอกเหมือนหลวงพ่อมาบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทามัวแต่เอาตัวเราไปปล่อยอ่ะ ตายกันพอดีชาติไหนก็ปล่อยไม่ได้แต่ถ้ารู้ตัวเราสิรู้ตัวเราคือรู้ตัวเนี่ยไอตัวเราผููพยายามเนี่ยมันเป็นอะไรเหะตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขาร น, นี่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะระหว่างที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ถ้ามีสติปัญญาปับ๊บโอ้โหไอตัวสติปัญญาเนี่ยมันปล่อยไอตัวเราแบบมันปล่อยชนิดที่แบบไม่ต้องปล่อยอะคือมันหลุดขาดออกไปเลยเพราะมันแยกได้ระหว่างตัวเรา พูพยายามปล่อยกับตัวสติปัญญาตัวนี้มันคนละตัวกันเพราะนั้นที่บอกว่าคำว่ารู้ตัวรู้ตัวคือรู้ตัวไหนเราก็รู้ตัวไอตัวที่พยายามมาแหละรู้ตัวเราไอตัวพยายามมาแหละรู้ตัวเราตัวพยายามดิ้นนี่แหละเมื่อรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละตัวเราก็เป็นสังขารทันทีเลยและความเป็นตัวเราก็หายหายไปหมดเลย ไม่รู้ว่าใครเข้าใจไหมนะลองคุยในประเด็นที่หลวงพ่อพูดเนะาะลองดูของยมแบงค์ค่ะเดี๋ยวประเด็นเรื่องเเออ่ผู้ทีการที่เราเห็นตัวคนผู้ปล่อยนะคะเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่คุณอาพูด่นะคะว่าเนี่ยฉันไมอยากจะปล่อยวางแต่ว่าหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าให้อย่างน้อยเนี่ยก็คือตอนเนี้ยถ้าเราเห็นแล้วว่าเราอ่ะมันมีผู้ปล่อยอยู่นะคะเพราะว่าจากความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ทันอ่ะ เราจะเป็นตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปล่อยนะคะแต่จริงถ้าเรามีสติเนี่ยให้รู้ณปัจจุบั น, เ, นเราก็จะเห็นหรือว่าตัวรู้เนี่ยนะคะมันก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามีผู้ปล่อยอยู่ถ้ายังมีผู้ปล่อยอยู่อันนั้นแสดงว่ายังไม่ใช่เพราะยังมีตัวเราอยากจะไปปล่อยอยู่นะคะก็ให้รู้ความาการผู้เห็นที่อยากจะปล่อยอีกทีนึง นะคะไม่รู้หนูสรุปถูกหรือเปล่า น, นะคะถูกถูกถูกนะถูกน <laughs> อย่างงั้นน่ะนะคะให้เห็นตัวเราผูผูปล่อยผู้ปะยอะจะปล่อยจ <F G S 2> นะคะค่ะแบที่คุณอาบอกอ่ะนะคะค่ะสาธุค่ะ